เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุมใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาพเพิดเพลิมาปฏิบัติ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 นี่เป็นพระโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสก่อนที่จะเสด็จจากพวกเราไปเป็นความสอนคำพูดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะทรงมีความห่วงใยในพวกเราทั้งหลายที่ยังต้องเดินทางต่อไป ยังต้องเวียน่ายตายเกิดในบหน้อยในพบใหญ่ท่านจึงสอนให้พวกเราประมาทความว่าประมาทก็หมายถึงว่าต้องคิดเสมอว่าชีวิตของพวกเรานี้อาจจะหมดไปได้ทุกเวลานาทีไม่มีใครรู้ว่าเราจะอยู่ในวันพรุ่งนี้หรือไม่ ดังนั้นในวันนี้ในขณะ น, นี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการทำประโยชน์ให้กับตัวเราและกับผู้อื่นด้วยการมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาสิงมาฟังเทศฟังธรรม มาปฏิบัติธรรมเพราะบุญเหล่านี้เปลี่ยนเหมือนสเสบียงที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ถ้าร่างกายของเราเกิดจะต้องดับไปโลกนี้นั้นเปรียบเหมือนกับสถานีบริการเป็นปั๊มน้ำมันที่พวกเราใจของพวกเรา ที่เป็นนักท่องเที่ยวในในวัดตะสงสารในพบน้อยในพบใหญ่ได้มีโอกาสมาแวะจึงไม่ควรที่จะหลงละเลิงกับความสุขที่จะได้รับจากสถานีบริการซึ่งมันมีไม่มากเหมือนกับความสุขที่รอเราอยู่ที่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกัน เราจรึงควรรีบ เ, เติมน้ำมันเติมน้ ำ, เ ต, นำเติมอาหารสะสมสะเสบียงใส่รถเอาไว้แล้วพอถึงเวลาที่เราจะออกเดินทางเราจะได้เดินทางไปได้ไกลและไปได้อย่างสะดวกอย่างสบายถ้าเราเมัวอแต่หลงเราลืมหาความสุขอยู่กับแถวปั๊มน้ำมันลืม ลืมรับประทานอาหารหลืมเติมน้ำมันเติมน้ำเติมลงลืมสะสมสเบียงไว้พอถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางก็จะไม่มีอะไรติดตัวไปเดินทางไปไม่ไกลก็อาจจะต้องเดินต่อไปเพราะน้ำมันหมดอาหารก็ไม่มีสเบียงก็ไม่มีเอาติดตัวไปก็จะไป อย่างยากลำบากพระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นห่วงเป็นใยอยากให้พวกเรารีบตักตวงสะสมสบียมคือบุญต่างๆไว้ให้มากเพราะบุญนี้และจะดูแลรักษาเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายให้อยู่อย่างปราศจากความทุกข์ความทรมานใจต่างๆ เราจึงต้องคิดเสมอว่าวันเวลานี้เป็นเหมือนกับเอาสารพิษเป็นงูที่จะเขมืบที่เขมือบเหยื่อเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยวันเวลาก็จะกลืนสรรพสิ่งทั้งหลายให้หมดไปเวลา น, นี้เป็นเหมือนเป็นเหมือนงูที่กาลังเขมือบเหยื่อเข้าไปในท้อง มันไม่สามารถกินได้อย่า ง, ท, างทันทีทันใดมันต้องค่อยๆขมเบือ ก, ก็ไปทีละเล็กเทีละน้อยพวกเราก็เช่นเดียวกันสัพสิ่งทั้งหลายที่พวกเรามีเป็นสมบัติไว้ครอบครองก็เป็นเช่นเดียวกันเวลาจะค่อยๆกลืนมันไปเทเลเล็กทีลน้อยต่อไปก็จะหายไปหมดเหมือนกับ บุคคลและสัต์ประสิ่งทั้งหลายในอดีตเช่นคนในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงสุงสขโขทยัยเวลาก็จะกลืนกินไปหมดเหลือแต่สร้างประหาขักพังไว้ให้เรามีคติเตือนใจว่าเวลานั้นไม่คอยใครเวลานี้จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไป ขณะนี้พวกเรายังมีเวลาอยู่เราก็ควรที่จะเร่งขวนขวายมาสร้างบุญสร้างกุศลกันแล้วเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่อย่างมีความสบายอกสบายใจไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมารบกวนใจ บุญที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็มีหลายวิธีด้วยกันซึ่งเปรียบเป็นเหมือนอาหารชนิดต่างๆที่เราต้องรับประทานให้ครบเช่นเรารับประทานข้าวรับประทานกับข้าวรับประทานของหวานรับประทานผลไม้ดื่มน้ําชนิดต่างๆเพราะมีสารที่จําเป็น ต่อการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยฉันใดบุญชนิดต่างๆก็เป็นเหมือนอาหารชนิดต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างปราศจากทุกภัยทั้งหลายบุญอันแรกก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทาน ที่พวกเรามาทำกันเป็นประจำะเรามีอะไรเราก็เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเอามาถวายพระภิกษุเอามาถวายวัดเพื่อประโยชน์สุขของพระและของวัดเราก็ได้บุญคือความสุขใจความอิ่มเอิบใจความโลภความเห็นแก่ตัวความตนีก <c ười> ็จะเบาบางลงไป ความโลภความตนีและความเห็นแก่ตัวนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวไม่มีความสุขเวลาเราโลภเวลาที่เราตนีหวงหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเวลาที่เรามีความเห็นแก่ตัวเราจะรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจแต่เวลาใดที่เรา ลดละความโลภความเห็นแก่ตัวความตนีได้เราจะรู้สึกมีความสุขมีความภูมิใจนี่คืออาหารอย่างหนึ่งและสเสบียง <c oughs> ที่จะติดไปกับใจได้คนที่ทำบุญให้ทานมากๆเวลาไปเกิดข้างหน้าจะไม่โอดอยากขาดแคลนจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรออยู่ ไม่ต้องไปหาใหม่ไปเกิดเป็นลูกของคนที่มีฐานะการเงินการทองลูกของเศรษฐีไม่ต้องไปเกิดเป็นลูกขอทานลูกของคนยากคนจนนี่คืออานิสงส์ของการให้ทานส่วนบุญชนิดที่สองที่เราควรจะทำกันก็คือศีลศีลนี้ จะรักษาป้องกันไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบาย mm hmm. ถ้าเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตหรือไปตกนรก mm hmm. เราตายไปก็ไปสวรรค์เลยหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลย ไม่ต้องแวะไปใช้บาปใช้กรรมในนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรเป็นเดรัจฉานนี่คืออานิสงส์ของการรักษาศี 5, ลห้าถารักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิตและรักษาอยู่ทุกเวลานาทีทุกลมหายใจเข้าออกอานิสงส์ของศีลนี้จะคุ้มกันไม่ให้จิตใจตกต่ำ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่กันเพราะเวลาที่เราตายไปเราไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปได้แล้วถ้าเราหาทรัพย์มาโดยวิธีทําบาปทํากรรมเราก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมไปเกิดในอบายก่อนก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อมาสร้างบุญสร้างบรารมีใหม่ต่อไปดังนั้นขอให้เราเห็นว่าศีลนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของต่างๆถ้าเราต้องการอะไรขอให้เราระมัดระวังอย่าให้เราหามาโดยวิธีที่ผิดศีลเพราะว่าจะได้ไม่คุ้มเสียได้เข้าของมาให้ความสุขกับเราเดี๋ยวเดียว ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่พอตายไปก็ต้องไปใช้กรรมไปเกิดเป็นสุนัขเป็นเป็นสัตว์ชนิดต่างๆหรือไปยตกนรกหรือไปเกิดเป็นเปรตไม่คุ้มค่าเลยกับการที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้มาโดยโดยไม่รักษาศีลคือได้มาโดยการทำผิดศีล เช่นลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโกโหกหลอกลวงอย่าทำ เ, เวลาเราอยากจะได้อะไรถ้าต้องพูดก็พูดความจริงถ้าของไม่ใช่ของเราก็อย่าไปแตะอย่าไปอยากได้อยากจะได้อะไรก็ให้ไปซื้อมาหามาด้วยทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยความสุจริต คือเราทำงานทำการแล้วเรามีเงินได้เงินเงินทองมีรายได้เราเอาเงินทองเหล่านี้มาซื้อของต่างๆที่เราอยากได้ก็จะไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเอามาทำบุญเราก็จะได้กำไรเพราะถ้าเราเอาเงินทองที่เราหามาได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมันก็จะเป็นการไปเลี้ยงกิเลสตัณหา ให้มีให้เจริญก้าวหน้าให้มีกำลังมากขึ้นให้มาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใจของเรามากขึ้นถ้าเราเอามาซื้อกับข้าวกับปลาอาหารซื้อของจำเป็นต่อการดำรงชีพ <c oughs> ก็จะเป็นประโยชน์กับร่างกายทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถอยู่ไปได้นาน สามารถมาทำบุญมาทำประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราได้แล้วถ้าเรายังมีเงินเหลือจากการซื้อกับข้าวกับปลาของข้าวของหวานเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นต่างๆเราเอามาทำบุญเราก็จะได้มีสเบียงสะสมเอาไว้ที่จะพาให้เราได้ไปเกิดในที่ดีต่อไป ถ้าเราทําแต่บุญอย่างเดียวแต่เราไม่รักษาศีลเช่นเราหาเงินหาทองมาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องผิดศีลผิดธรรมแล้วเราเอาเงินนี้มาทําบุญเราก็จะได้อ น, นิสงส์จากการทําบุญให้ทานแต่เราจะไม่ได้อ น, นิสงส์จากการรักษาศีลเวลาเราตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายถ้าเกิดเป็น สัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นสุนัขเป็นแมวหรือเป็นนกก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเพราะอานิสงค์ของบุญคือการให้ทานนี้จะทําให้มีรูปร่างหน้าตาน่ารักสวยงามก็จะเป็นที่ปรารถนาของผู้ที่มีฐานะเขาก็จะเอาไปเลี้ยงดูอย่างดีจะอยู่กินอย่างสุขอย่างสบาย แต่ต้องอยู่กินแบบเดรัจฉานอยู่แบบแมวอยู่แบบสุนัขอยู่แบบนกเพราะไม่ได้รักษาศีลแต่ถ้ารักษาศีลด้วย<ม>ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ไปสวยบุญในสวรรค์เสร็จรับรางวัลแล้วหลังจากนั้นก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีฐานะการเงินการทองที่ดี มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเราจึงต้องรักษาศีลด้วยนอกจากการทำบุญให้ทานแล้วเราต้องรักษาศีลด้วยเราจะได้ไปเกิดในสุขตินั่นเองซีเลนะสุขติงยันติศีนเป็นเหตุที่จะพาให้ไปสู่สุขติ <c oughs> เวลาคนตายไปเรามักจะ พูดว่าขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปสู่สุคติเถิดแต่การขอรนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้ผู้ตายนั้นไปสู่สุคติได้เป็นเพียงความปรารถนาดีของคนที่รักกันเท่านั้นเองแต่จะไปได้ไม่ได้อยู่ผู้ที่ตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ารักษาศีลได้มากหรือน้อย ถ้ารักษาศีลได้มากหรือได้เต็มที่ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายไปสู่สุขติได้เลยไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นขอให้เราเห็นคุณค่าของศีลยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแล้วเราจะได้ไม่ขาดทุนเราจะได้กำไร ส่วนบุญอีกอย่างหนึ่งที่ท่านทรงสอนก็คือภาวนาภาวนานี่แปลว่าการพัฒนาจิตใจใจของเรานี่ยังขาดคุณสมบัติที่สําคัญที่จะทําให้ใจเราสูงขึ้นดีขึ้นเราต้องพัฒนาใจของเราให้มีความสงบเพราะใจที่มีความสงบนี้จะมีความสุข มีความอิ่มมีความพอแล้วเมื่อมีความสุขความอิ่มความพอก็จะไม่มีความหิวความอยากความต้องการในสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสารเสริญสุขคนที่มีจิตใจที่สงบมีความอิ่มนั้นจะไม่หิวกับลาบยศสารเสริญสุขจะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าไม่ร่ำรวยก็จะไม่เดือดร้อน ถ้าไม่มีตำแหน่งสูงสูงก็จะไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีใครยกย่องสรรเสริญก็จะไม่เดือดร้อนถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจนหลุกลิ้นกายก็จะไม่เดือดร้อนเพราะมีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าก็คือความสงบของใจนี่เองดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติป ร, รังสุขขัง สุขอื่นใดในโลกนี้ไม่มีความสุขที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องมีสติไว้คอยควบคุมไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่เรื่องเดียวหรือให้รู้อยู่เรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปอย่างเดียว หรือให้ดูลมหายใจอย่างเดียวให้รู้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถ้ามีสติ <c oughs> ก็จะสามารถดึงใจให้อยู่กับกว่าพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจได้แล้วใจก็จะสงบนิ่งจะมีความสุขจะมีความอิ่มมีความสบาย <c oughs> ดังนั้นถ้าอยากจะทำสมาธิอยากจะทำใจให้มีความสุข มีความสงบเราต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำอะไรให้มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่กำลังเขียนหนังสือก็ให้มีสติอยู่การเขียนหนังสืออย่าไปคิดเรื่องอื่นกำลังทำกับข้าวกำลังล้างชามกำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวกำลังทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำ อย่าให้ใจแวบไปคิดเรื่องอื่นนี่เป็นการฝึกสติถ้าเรามีสติแล้วเวลาที่เราจะทําใจให้สงบก็จะไม่ยากกําหนดให้อยู่กับพุทโธก็จะอยู่กับพุทโธอย่างเดียวจะไม่แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ายังแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แสดงว่าสติขาดไปแล้วสติเป็นเหมือนเชือกที่จะดึง ดึงสัตว์เลี้ยงเช่นลิงเอาไว้ผูกถ้าเราอยากจะให้ลิงอยู่กับที่ไม่ให้มันไปเที่ยวเตตามสถานที่ต่างๆเราก็ต้องเอาเชือกมัดคอลิงไว้แล้วก็มัดไว้กับเสาถ้าเชือกแข็งแรงมันก็จะไม่สามารถหนีไปไหนได้แต่ถ้าเชือกเป็นเชือกที่เปราะบางเช่นเชือกกล้วย มันก็สามารถกระตกให้ขาดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะไม่อยู่กับที่มันก็จะไปตามสถานที่ต่างๆแล้วมันก็จะไม่นิ่งใจของเราก็เป็นเหมือนลิงถ้าเราไม่มีสติคอยดึงใจเอาไว้มันก็จะคิดด้วยเปื่ อ, อยคิดไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับคิดได้ทั้งวันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ แต่ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความวุ่นวายใจได้แต่ความไม่สบายอกไม่สบายใจแต่ถ้าใจหยุดคิดได้ใจนิ่งไม่คิดเรื่องอะไรใจก็จะมีความสงบมีความสุขนี่คือการภาวนาเป็นการพัฒนาใจใจมีความสุขมีความสงบมากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นถ้ามีความสงบเต็มที่ ก็จะมีความสุขเต็มที่เหมือนใจของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายใจของท่านมีแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านสามารถควบคุมใจด้วยสติและกาจัดเหตุที่ทำให้ใจคิดปรุงแต่งต่างๆได้ด้วยปัญญาเหตุที่ทำให้ใจเราปรุงแต่งก็คือความหลง หลงคิดว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าอยากได้มาเป็นสมบัติไว้ครอบครองอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสุขแต่จะกลายเป็นความทุกข์ เวลาที่อยากแล้วไม่ได้ตามความอยากแต่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือปัญญาที่พวกเราต้องคอยสอนใจของเราอย่าให้ไปหลงอยากได้สิ่งต่างๆอย่าให้ไปหลงอยากมีอยากเป็นขอให้เราพอใจกับการความสงบของใจก็พอเพราะถ้าได้ความสงบของใจแล้ว ไ ด, ด้ดีกว่าได้สิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆนอกจากไม่ได้ให้ความสุขแล้วยังต้องจากเราไปเพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาไม่จีรังถาวรไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากความสงบของใจจะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่พบไหน ชาติไหนความสงบนี้เราสามารถเอาติดไปกับใจของเราได้เราจึงควรให้ความสนใจต่อการภาวนาทำจิตใจให้สงบให้มากทำจิตใจให้ฉลาดให้รู้ทันความหลง <c oughs> อย่าไปยินดีกับลาบยศจะรเสริญสุขเพราะมันจะทำให้เราต้องทุกข์ เวลาที่เราสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไปนี่คือบุญชนิดที่สูงสุดถ้าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระอาหารหันต์อยากจะตัดภพตัดชาติอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องทำบุญชนิดนี้คือการภาวนาก่อนที่เราจะทำได้เราก็ต้องรักษาศีล ให้บอ่อยสุดและต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปให้หมด <c oughs> เก็บไว้เพียงบางสว่วนเท่าที่จําเป็นเท่านั้นถ้าเป็นผู้ชายก็ออกบวชไปเลยไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมารักษาศีลแล้วก็มาภาวนามาทําใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิและมา กำจัดความหลงที่เป็นตัวยุยงให้จิตใจต้องว้าวุ่นขุน ม, มัวด้วยปัญญาด้วยการสอนใจไม่ให้หลงไปยินดีกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะเป็นของปลอมถ้าเป็นเงินก็เป็นเงินปลอมเป็นแมงปลอมถ้าเป็นทองก็เป็นทองปลอมถ้าเป็นเพชรก็เป็นเพชรปลอม ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นเพียงผิวเผินเท่านั้นเองแต่ความทุกข์นี้เป็นก้อนโตที่ความสุขนี้เคลือบเอาไว้เวลาที่เราสูญเสีย ลาบยศสะลรเสริญสุขไปนี้ชีวิตของเรานี้แทบจะไม่น่าอยู่ต่อไปบางคนนี้ถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปเพราะทนอยู่กับความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเรามีความสุขทางใจเราก็จะไม่ต้องอาศัยความสุขทางลาบยศสะลรเสริญสุขเราก็จะอยู่ได้ จะรวยจะจนเราก็จะอยู่ได้จะมียศสูงหรือต่ำเราก็จะอยู่ได้จะมีสรรเสริญหรืนินทาเราก็อยู่ได้จะมีสุขหรือมีทุกข์เราก็จะอยู่ได้ไม่เดือดร้อนนี่คือบุญสูงสุดที่พวกเราควรจะทำกันให้มากส่วนบุญอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญต่อการปฏิบัติของเรา ก็คือบุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะก่อนที่เราจะรู้ว่าการดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงและไม่มีความทุกข์มาเบียดเบียนมารังแกจิตใจของเรานั้นเราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เพรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะรู้จักวิธีที่จะพาให้เรานั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันในวันนี้ท่านกำลังได้รู้จักวิธีของการสร้างความสุขที่แท้จริงของการปลดเปลื้อง ถึงผลถึงการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปด้วยการทำบุญให้ทานนี้ด้วยการรักษาศีลและด้วยการภาวนาเราต้องฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อฟังแล้วเราจะได้ไม่หลงทางเวลาปฏิบัติจะได้ปฏิบัติถูกทางเหมือนกับเวลาที่เราเดินทาง ไปตามสถานที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องถามทางคนที่เขาเคยไปมาก่อนหรือต้องมีแผนที่นำทางเราจะถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้การฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่หรือการรับฟังจากผู้ที่เคยไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปแล้ว พอเราได้ยินแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องไปทางไหนไปทางเหนือหรือไปทางใต้ต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือตรงไปเราก็จะได้ไม่เสียเวลาไม่หลงทางเราก็จะได้พบกับความสุขที่เราปรารถนากันและเราจะไม่มีความทุกข์มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรา นี่คือเรื่องของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งเตือนพวกเราว่าสังขารนั้นเป็นของไม่เที่ยงจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาว่างอย่าปล่อยให้เวลาว่างนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ทําประโยชน์คือไม่ได้ทําบุญต้องรีบทําบุญ ถ้ามาวัดไม่ได้ทําบุญที่บ้านได้ก็ทําไปทํากับคารวะดด้วยกันก็ได้ถ้าเห็นคนเขาเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารให้เขาได้รับประทานก็ได้บุญเหมือนกับการมาวัดเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเท่านั้นเองถ้ามาวัดก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมด้วย แต่ถ้ามีธุระมาไม่ได้ทำบุญที่ไหนก็ได้เห็นขอทานก็ทำได้เห็นใครเดือดร้อนพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปศีลก็รักษาได้ไม่ต้องมาที่วัดมาขอศีลที่วัดเพราะศีล น, นี้ของใครของมันพระให้ศีลของท่านไม่ได้ท่า น, นเพียงบอกให้เรารู้ว่าศีลมีอะไรบ้างเท่านั้นเองเป็นการสอน แต่ศีลนี้เราต้องรักษาเอง <c oughs> อยู่ที่ไหนก็รักษาได้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกดลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาทำได้ทุทกที่ทุกแห่งไม่ต้องมาอยู่ที่วัดเพื่อมารักษาศีล <c oughs> นี่คือการสร้างประโยชน์ให้กับเราด้วยความไม่ประมาท ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วไม่นานเราก็จะได้มีสเสบียงหรือมีอาหารครบบริบูรณ์ที่จะสามารถพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างสวัสดิภาพและอาจจะไปถึงในภพนี้ชาตินี้ได้ด้วยจึงอย่าประมาทเวลาขอให้เราเห็นคุณค่าของเวลาทุกเวลานาทีนี้มีประโยชน์มาก สำหรับการมาสร้างบุญสร้างกุศลกันจึงขอฝากเรื่องของการไม่ประมาณนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอขุณพระศีรัตนตรย